เรื่องเทศที่เมืองเขมรคราวหนึ่งนักองค์ดวงเจ้าแผ่นดินเขมรกรุงพะหะไทยมีใบบอกเข้ามากราบบังคมทูลพระเกาุณาให้ทรงทราบจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดให้นิมนต์สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตให้ออกไปแสดงธรรมโปรดนักองค์ดวงณเมืองเขมรคราวนี้สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารถึงกับบ่นที่วัดระคังว่า สมเด็จพระนางเกล้าก็ไม่ใช่โง่แต่ว่าใช้ครัวโตไม่ได้สมเด็จพระจอมเกล้าฉลาดว่องไวกลับมาได้ใช้ครัวโตถึงวันกำหนดท่านก็พาพระฐานาสี่รูปไปลงเรือสยามูปสดําเจ้าพนักงานไปส่งถึงเมืองจันทบุรีแล้วขึ้นเกวียนไปทางเมืองตราดไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงเมืองตราดนั้นเป็นตำบลที่มีเสือชุมมากมักเผ่นเข้าขวางหน้าเกวียน เวลารอนๆจวนคําคนนำทางหน้าเกวียนจดพลองเล่นตีกับเสือเจ้าเสือแยกเขี้ยวหื้อใส่รุกขนาบคนถือพลองถอยหลังทุกทีจนถึงหน้าเกวียนสมเด็จคนหน้าเกวียนยกเท้ายันคนถือพลองไว้ไม่ให้ถอยสมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านเห็นเสือมีอํานาจดุมากท่านจึงบอกว่าเสือก็จะทุราชั้นคนเดียวดอกจะ้ะ ฉันจะพูดจาขอทุเลาเสือสักคืนในที่นี้ครั้นแล้วท่านก็ลงจากเกวียนส่งคนให้พิคอยอยู่ข้างหน้าท่านก็นอนขวางทางเสือเสียเสือก็นั่งเฝ้าท่านคืนหนึ่งเสือก็ไปไหนไม่ได้จะไปไล่คนอื่นก็ไปไม่ได้ต้องเฝ้ายามสมเด็จยันรุง่งเวลาเช้าท่านเชิญเสือให้กลับไปแล้วท่านลาเสือว่าฉันลาก่อนจะเพราะมีราชกิจใช้ให้ไปจะ วาแล้วท่านก็เดินตามเกวียนไปทันกันและท่านเล่าให้พระครูประหลัดคือพระธรรมทาวนฟังพวกครัวก็หุงต้มเลี้ยงท่านเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็นิมนต์สมเด็จขึ้นเกวียนคนลากท่านไม่ชอบบัวควายเทียมเกวียนไปถึงเมืองพระตะบองข้าหลวงฝ่ายสยามบอกการเข้าไปถึงกรมเมืองเมืองขเขมรกรมเมืองทราบแล้ว นำความทุนนักองค์ดวงเจ้าเมืองขมรเมื่อทรงทราบแล้วสั่งคนนำแก้งออกไปรับสมเด็จเข้าไปถึงวังในกระทําความเคารพปฏิสันฐานปราสายปรนิบัติแก่สมเด็จเป็นอันดีแล้วสั่งให้จัดการเลี้ยงดูข้าหลวงและผู้คนที่เชิญสมเด็จมานั้นแล้วให้จัดที่พักที่อยู่ให้ตามสมควรเวลาเช้าจัดแจงตั้งธรรมาตบอกกล่าวพระยาพระขมรและเจ้านายฝ่ายขมร หลอดพ่อค้าข้รือหาพดีขเขมรให้มาฟังธรรมของสมเด็จจอมปราสยามสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามรับสั่งโปรดให้สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์มาโปรดเมขเมรเขมรทั้งหลายต่างก็ยินดีเต็มใจพร้อมใจกันมาฟังเทศนาสมเด็จกันเป็นอันมากครั้นเพลแล้วก็รัฐนาให้ขึ้นเทศสมเด็จก็เลือกเฟ้นหาธรรมะนำมายกขึ้นแสดงชี้แจงและแปลแก้ไขเป็นภาษาขเขมร ให้พวกเขเมเณเข้าใจต่อตลอดมาถึงพระมหากรุณาธิคุณของกรุงสยามด้วยเชื่อมกับศาสนาประสาทและรัฐธรรมศาสตร์ให้กลมเกลียวกลืนกันเทศให้ยึดโยงอย่างถึงกันชักเอาเหตุผลตามชาดกต่างๆประสูติต่างๆทา ง, า ง, างพระวินัยต่างๆอ น, นิสงส์สันติภาพและอ น, นิสงส์สามัคคีธรรมนามาปรุงเป็นเทศนากันหนึ่ง จบแล้วนักองจันทร์มารดานักองดวงได้สละราชบุตรราชธิดาบูชาธรรมและสักการะด้วยแก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนและคัดเฉพาหานตระการต่างๆ่างขมร น, นอกนั้นก็เลื่อมใสเห็นจริงตามเทศนาของสมเด็จและต่างก็เกิดความเลื่อมใสใ น, ในองค์เจ้าพระคุณสมเด็จสมเด็จพระพุทธเจย์โตจึงได้ฝากนางธิดากุมารีไว้กับมารดาเจ้านักองดวง รับมาแต่เจ้ากุมารชายคนเดียวนักองด์ดวงเจ้าเมืองขเมรจึงจัดการส่งสมเด็จมีเกวียนส่งเข้ามาจนถึงเมืองตราดเจ้าเมืองตราดจัดเกวียนส่งมาถึงเมืองจันทบุรีเมืองจันทบุรีจัดเรือใบเรือเสาส่งเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครจอดหน้าวัดระฆังทีเดียวรุ่งเช้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเข้าไปในพระบ ร, รมมหาราชวัง เสด็จออกรับและทรงสดับรายงานการที่ไปและไปถึงและเจ้าขเมนยินดีรับรองเลื่อมใสได้เทศโปรดด้วยข้อนั้นนำข้อนั้นเทียบข้อนั้นให้เจ้าขเมนเข้าใจด้วยนัยยะอย่างนั้นลงมติอย่างนั้นตลอดเสนาขเมศทั่วกันขเมนบูชาธรรมเป็นธรรมะพลีบรรณาการมาอย่างนั้นเท่านั้นของเท่านั้นเท่านั้นให้ทรงถ่ายโดยละเอียดทุกประการ สมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบรายงานของสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์โตถวายบรรยายเป็นที่พอพระราชเชืทา ย, ยิ่งนักทรงนิยมชมเชยความสามารถของสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์โตจึงทรงยินดีถวายเครื่องการที่ได้มา น, นั้นจงเป็นสรพรพสิทธิของเจ้าคุณทั้งหมดทั้งทรงปรวรณาว่าเจ้าคุณประสงค์สิ่งอะไรพอที่โยมจะอนุญาตได้โยมก็จะถวายและก็เสด็จขึ้น สมเด็จพระพุทธเจ้าโตก็กลับวัดกระขังรั้นหายเหนือได้สองสาวันจึงเข้าไปในพระบ ร, รมหาราชวังเสด็จออกรับสมเด็จพระพุทธเจ้าโตขอถวายพระพรขอพระบ ร, รมราชานุญาตที่ดินที่วัดเกศชัยโยเท่านั้นว่าขอพระราชาอนุญาตสร้างพระใหญ่นั่งหน้าตักแปดวาไว้ในอำเภอชัยโย ขอให้ทรงพระกรุณารับสั่งเจ้าเมืองกรมการให้วัดให้มีพระราชลัญจกรประทับรับสั่งว่าดีแล้วจึงเป็นแบบที่ต้องขอพระบรมราชาอนุญาตก่อนต้องมีบัตรพระราชลัญจกรอนุญาตแล้วจึงเป็นวิสุงคำทรงพระกรุณาโปรดมีใบพระบรมราชาอนุญาตประทับตราแผ่นดินถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าโต เลยจาพระราชบัญญัติสุงคามศีมาต่อไปในคราวนั้นเป็นลำดับกันมาสมเด็จจิงจำนายเครื่องกันเทศจากเมืองขเขมรลงเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทรายเป็นข้าแรงคนงานเป็นทุนรองงานขึ้นไปจัดการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นักที่ริมวัดเกศชายโยหมายเหตุผู้อ่าน หนังสือบางเล่มอ้างว่าการสร้างพระนี้เป็นการตอบแทนพระคุณมารดาของท่านอีกทางหนึ่งด้วยนะครับจเจ้าเมืองโครงการที่มารังวัดที่ตามที่มีท้องตราบังคับราชบุรุษทั้งปวงให้สมเด็จนําชีท้ที่สมเด็จก็ชี้หมดทั้งวัดและชี้ที่สร้างพระวิหารวัดเกศสําหรับคลุมองค์พระและชี้ที่ฐานสุขชี ชีที่สร้างองค์พระราชบุรุษก็วัดตามประสงค์ชี้ที่โบสถ์ด้วยชีที่อุปจาระทั้งหมดด้วยรวมเนื้อที่วัดเกตชยโยมีประมาณแจ้งอยู่ในบัญชีเฮระดานของหลวงเสร็จแล้วอุปจาระหมายถึงเฉียดจวนเจียนที่ใกล้ชิดระยะใกล้เคียงชาญบริเวณรอบ เมื่อกำลังสร้างพระใหญ่องค์นี้พระยานิกรบดินและอมารราชตระกูลราษดรพ่อขาแม่ขาเรารษะบดีและสมเด็จพระจอมเกล้าสมเด็จพระปิ่นเกล้าและแขกฝรั่งขเขมรลาวมอญจีนก็ได้เข้าส่วนด้วยมากบ้างน้อยบ้างสร้างอยู่นานเกือบสามปีจึงสำเร็จจึงได้ถวายวัดชยโยเป็นวัดหลวงพระราชทานนามว่าวัดเกตชยโยแปลว่าพระธงชัย วัดทงชัยในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองมีอธิบายว่ารถต้องมีธงที่งอนรถเป็นที่ปรากฏประเทศเมืองหลวงว่าราชรัฐาต้องมีธงทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาพระศาสนาก็ควรมีธงประกาศให้เทวดามนุษย์รู้ว่าประเทศนี้นับถือพระพุทธศาสนาจึงสมมติพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้เป็นประดุจดังธงชัย ให้ปลิวไปปลิวมาปรากฏทั่วกันเหตุนั้นเทพพยดาผู้มีฤทธิ์จึงเข้าสถิตในองค์พระปฏิมากรจึงได้ศักดิ์สิทธิ์ลือขจรทั่วนานาทิศาภาคคนหมู่มากเส้นสวงบวงบนให้คุ้มกันรักษาช่วยทุกข์ร้อนยากจนบางคนบางคราวก็ได้สมมาตรปรารถนาจึงมีผู้สักการะบูชามิได้ขาดเป็นด้วยอำนาจสัจจิฐานของสมเด็จบรมบพิษ พระราชสมภารเจ้าทุกทุกพระองค์ทรงปานิธานไว้อย่างหนึ่งเป็นไปด้วยความสัตย์ความจริงที่ดีที่แท้ที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจ้์โตท่านแน่วแน่อยู่ในเมตตาการุณาหวังว่าจะให้เป็นประโยชน์และความสุขสวัสดีมงคลแก่ปัจฉิมชนิ ก, กชนแต่บรรดาที่นับถือพระพุทธศาสนาได้บูชาได้อย่างน้ำใจแนวแน่ลงไปถึงคุณพระพุทธเจ้าว่ามีพระคุณแก่สัตว์โลกพ้นประมาณ พระจึงบันดาลเปล่งแสงออกด้วยอำนาจเทวดารักษาแสดงอิทธิฤทธิ์ออกรับเส้นสวงวงบนของคนที่ตั้งใจมาจริงจึงให้สำเร็จประโยชน์สมคิดทุกสิ่งทุกประการหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องการไหว้พระนั้นต้องพึงระวังอย่างยิ่งนะครับ เราถ้าไหว่ผิดยึดผิดจะกลายเป็นศิลปะธรรมารามาสเป็นข้อปฏิบัติสู่ความงมงายและขัดขวางการบรรลุธรรมต้องไม่ลืมว่าเรากราบพระพุทธรูปนั้นต้องระลึกถึงพระพุทธคุณกราบบูชาในคุณความดีของพระพุทธองค์สิ่งนี้ต้องเป็นหลักสําคัญในการไหว้พระจิตที่ไหว้ด้วยการถวายความเคารพนั้นเป็นกุศลที่ปราศจากกิเลส แต่จิตที่หวังไหว้เพื่อขอพรขอให้โชคดีขอสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นการไหว้ที่จิตประกอบด้วยกิเลสเป็นอกอุศลจิตซึ่งการไหว้ทั้งสองแบบนั้นจะให้ผลแตกต่างกันการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์จริงนั้นถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งและคนเราจะได้ดีมีสุขจะได้อะไรก็ตามก็ต้องโดยเหตุของบุญของตัวเองเป็นสาคัญ ถ้าเราทำดีจริงมีบุญมากพอสิ่งที่ปรารถนานั้นก็จะสมหวังได้โดยง่ายการไหว้พระขอพรถ้าจะหวังผลจริงๆควรจะเป็นเรื่องของการเสริมกำลังใจหรือการเสริมสิริมงคลจากพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้ามากกว่าที่จะหวังว่าไปกราบไหว้เพื่ออยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่มีพื้นฐานของบุญอยู่เลยนะครับ และขอฝากอีกเรื่องคือการบนบานสารกล่าวนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะต่อให้เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์แค่ไหนสิ่งที่เราบนไว้นั้นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งไร้ค่าของเทวดาทั้งหลายเปรียบเหมือนคนรวยที่มีทุกอย่างมากเพียงพอแล้วไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วแต่สิ่งที่เทวดาผู้เป็นสมาธิฏิท่านชื่นชมนั้นจะเป็นเรื่องของการทาบุญทากุศลการทาความดี ซึ่งควรใช้สิ่งนี้เป็นการทำถวายบูชาท่านแล้วหากติดขัดปัญหาจริงๆก็แค่อธิษฐานจิตว่าเรามีปัญหาตรงนี้ถ้าบุญที่เรามีมากพอก็ขอให้สมหวังตามที่ต้องการด้วยแล้วก็ขอตั้งมั่นต่อไปนี้จะทำความดีจะทำบุญหรือจะรักษาศีลในข้อนั้นข้อนี้ให้บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อบูชาถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และแด่เทวดาผู้อารัก์พระพุทธรูปนั้นๆ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดกว่าการที่จะไปติดสินบนเอาของไร้สาระที่เทวดาไม่ต้องการหรือบางทีก็คิดไปเองว่าท่านต้องการหลายอย่างนะครับแค่เอาไปให้คนทั่วไปเ้ายังไม่ต้องการต้องระลึกเสมอ น, นะครับว่าเทวดาผู้มีฤทธิจ์จริงนั้นท่านมีทิพยสมบัติครบถ้วนและดีกว่าของในโลกมนุษย์มากมายหลายล้านเท่าถ้าจะติดสินบนได้จริงก็คงไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นและในความเป็นจริง เทวดาผู้มีฤทธิ์เป็นสมาธิฐิีจริงถ้าจะช่วยใครจริงก็ช่วยด้วยเมตตาไม่ต่างกับผู้ใหญ่ใจดีที่มีฐานะและถ้าเป็นคนดีจริงย่อมอยากช่วยเด็กที่ขยันเป็นเด็กกะตันยูมีศีลธรรมถามใจตัวเองนะครับว่าถ้าเราเป็นคนรวยและอยากช่วยใครจริงเราจะอยากช่วยเด็กที่ทาดีหรือเด็กที่เกเรแม้แต่เขาไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเอาอะไรมาติดสินบนเมื่อเห็นเด็กที่ดีที่กาลังตกยาก เรายอมอยากช่วยเหลือเป็นธรรมดาในทางกลับกันถ้าเป็นเด็กเกเรไม่ตั้งใจเรียนด่าพ่อล่อแม่ติดเล่ามายาหาศีลสักคอไม่ได้ถามจริงๆว่าเราจะอยากช่วยหรือไม่และในความเป็นจริงนั้นคนที่อยากให้คนอื่นช่วยจะมีสมบัติอะไรมากพอมาติดสินบนคนที่รวยกว่าที่ช่วยเขาได้แล้วเราจะอยากช่วยเขาเพราะเขาเอาสมบัติที่มีน้อยกว่าเรามาติดสินบนเราหรือไม่ ถ้าคิดได้แค่นี้นะครับก็จะเข้าใจว่าการไหว้พระขอพรที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรในการไหวบูชาอะไรก็ตามควรระลึกถึงหลักความจริงที่ว่าถ้าหวังจะให้เกิดผลดีที่จริงนั้นควรจะไ่าด้วยความเคารพเป็นการไหวแบบให้คือเป็นการถวายความเคารพ บ, บูชาในความดีของท่านไม่ใช่ไหวแบบการขอจิตที่บริสุทธิ์เป็นกุศลย่อมนามาซึ่งความสาเร็จ และสิ่งที่ต้องการได้ง่ายกว่ามากต้องไม่ลืนมนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราจะมีจะได้อะไรก็ตามสาเหตุหลักต้องมาจากบุญกรรมของเราเท่านั้นจะเห็นได้ว่าการไหว้พระนั้นถ้าตั้งเจตนาทางจิตไว้ผิดก็จะกลายเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งคือเป็นศิลปรัตตาปรามาสที่เป็นข้อสำคัญในเบื้องต้นที่ทาให้คนเราไม่สามารถพ้นทุกข์ได้นะครับ